มีความประสงค์จะทำน้ำอสจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังคาทิเศตวงเล็บเรื่องที่43สามสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอ ส, สจิให้เคลื่อนจึงเอาไม้มาเสียดสีองค์ชาติแต่น้ำอสุจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังคาทิเศตหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล